ทำนายทายทักอนาคตมีคนจำนวนมากที่ต้องการจะย่งรู้อนาคตบ้างก็ไม่สามารถจะอดทนรอจนสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเองได้ดังนั้น พวกเขาจึงต้องสาะแสแวงหาการบริการจากบรรดาร่างทรงและหมอดูหมอดาวทั้งหลายอาตมาขอเตือนโยมเรื่องร่างทรงนะว่าจงอย่าได้เชื่อใจหมอดูกระจกกระจกเหล่านั้นเป็นอันขาดพระปฏิบัติมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหมอดูชั้นยอดแต่ท่าน ก็ไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือกับใครง่ายๆหรอกวันหนึ่งลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงพ่อชาเด็กราบขอให้หลวงพ่อทำนายอนาคตของเขาหลวงพ่อปฏิเสธพระที่ดีจะไม่ทำนายโชคชะตาหรอก ลูกศิษย์คนนั้นมีความมุ่งมั่นมากก็ทบทวนให้หลวงพ่อรึกว่าอีกครั้งกี่กหนแล้วที่เขาถวายอาหารท่านเงินจํานวนเท่าไหรล่ล่ะที่เขาเคยถวายวัดเขาขับรถพาหลวงพ่อไปไหนมาไหนโดยควักกระเป๋าตัวเองแถมยังต้องทิ้งการทิ้งงานและครอบครัวไปหลวงพ่อเห็นความมุ่งมั่นของชายคนนั้น ที่จะได้ฟังคําทํานายท่านจึงบอกเขาว่าท่านจะยอมฝืนกฎที่จะไม่ทําลายอนาคตใครนั้นสักครั้งหนึ่งเอามือมาสิให้อัตมาดูลายมือโยมหน่อยลูกศิษย์คนนั้นตื่นเต้นมากหลวงพ่อไม่เคยดูลายมือให้ลูกศิษย์คนไหนมาก่อนเลยนี่เป็นกรณีพิเศษจริงๆยิ่งไปกว่านั้น ใครๆก็นับถือหลวงพ่อว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรๆที่ท่านว่าจะเกิดขึ้นมันก็จะต้องเกิดแน่นอนเลยว่ามันจะต้องเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าหลวงพ่อใช้นิ้วชี้ของท่านไล่ไปตามลายมือบนฝ่ามือของบุกศิษย์ แล้วท่านก็พึมพำกับตัวเองว่าอู้น่าสนใจจริงอืมอืมแปลกจริงลูกศิษย์ผู้น่าสงสารคนนั้นตื่นเต้นสุดๆ ด, ด้วยความคาดหวังเมื่อหลวงพ่อสำรวจลายมือเรียบร้อยแล้วท่านปล่อยมือลูกศิษย์และกล่าวกับเขาว่าอนาคตของโยม จะเป็นดังนี้นะครับครับลูกศิษย์รีบสนองหลวงพ่อว่าอาตามาก็ไม่เคยทายไปเสียด้วยโยมทราบโยมทราบดีเอ่อ อ, อ, อนาคตของโยมจะเป็นยังไงครับหลวงพ่อ ลูกสิถามอย่างตื่นเต้นสุดๆหลวงพ่อชาตอบว่าอ น, นาคตของโยมนะรึก็ไม่แน่นอนนะสิและท่านก็ไม่ผิดจริงๆสะดด้วย